มิลินธาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินธาปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวักนิพานะสะปัฏฐานะปัญหาที่เจ็ดถามว่าพระนิพพานนั้นตั้งอยู่ในที่ใดจะเป็นทิศไหนฐานที่จะได้นิพพานมีหรือไม่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 ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าที่ตั้งใจปรารถนาพระนิพพานนั้นพิจารณาซึ่งอุทยะวยะคือที่เกิดที่ดับแห่งสังขารธรรมแล้วพระโยคาวจร น, นั้นก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดุดเอาไม้แม่ไฟสีเข้าแล้วได้ไฟฉะนั้นมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภาร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 ประการหนึ่งซึ่งว่าบุคคลอยู่ในป่าสกายวันบุรพาทิตก็ปรากฏบุคคลจะอยู่ในเมืองทั้งหลายมีเมืองอาละสันทะเป็นต้นก็ดีและในพรหมโลกชั้นสุดทาวาสก็ดีบุรพธทิตก็ปรากฏเหมือนกันยะถามีครุวนาชันใดบุคคลตั้งอยู่ในศีลแล้วก็คงจะกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเปรียบเหมือนบุคคลซึ่งอยู่ในป่าสกายาวันเป็นอาทิ